การเจริญภาวนานั้นขอให้คโยมนั้นมีความตั้งใจรวมทั้งพิสุทธสงฆ์สามเณรพยายามทำเวลานี้ให้มันเกิดมูลค่าของความคิดให้มีมูลค่าของการเจริญภาวนาว่าโอกาสชีวิตเราวันหนึ่งวันเนี่ย เราไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจริญภาวนาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนมเป็นแม่ที <c oughs> มีโอกาสก็มากกว่าคุณโยมถ้ายังขี้เกียจเหมือนคนปกติก็อาจจะน้อยกว่าโยมบางคนสักหนึ่งสามระดาญาโยมก็เช่นเดียวกัน ภาระของกิเลสตัณหาราคะภาระหน้าที่ของเวรกรรมที่จะต้องกากกรรมทามาหากินหาเก็บกากกรรมกับสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายตามปกติแล้วมนุษย์โลกนั้นที่เกิดมานั้นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า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 ใครกากกรรมสิ่งใดคนก็ต้องมีทุกในสิ่งนั้นกากกรรมสแสวงหาสิ่งนั้นๆอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่กากกรรมหาผัวหาเมียผู้ชายก็ต้องสแสวงหาผู้หญิงผู้หญิงก็จะต้องแสวงหาผู้ชายผู้ชายก็ต้องมีจินตนาการ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 ที่ครอบครัวในสมัยโบราณแต่สมัยนี้ไม่ต้องเห็นหน้านะไม่ต้องเห็นหน้าจินตนาการทางไลายทางโทรศัพทนะ์ทางเฟซบุ๊กต่างๆนะไม่ต้องดูตัวเห็นหน้านะบอกรักบอกไข้กันง่ายจินตนาการตามภาวะของไอทีความเจริญของโลก แต่ที่ปัจจุบันเราเห็นว่าความรักความรักของมนุษย์โลกในปัจจุบันเนี่ยไม่มีการศึกษาแต่คนตะก่อนนั้นไม่มีการศึกษาก็คือการเรียนเรียนลกนะจบปริญญาตรีญาโทญาเอกไม่เหมือนคนสมัยนี้มีการศึกษาสูง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 กำหนดไว้ติใจสำหนดอารมณ์ปรุงแต่งที่เคยฟุ้งซ่านทั้งวีทั้งวันเนี่ยดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ลุงพ่อพูดอยู่เมื่อกี้นี้เป็นบุพ ก, กรรมวิบากกรรมครอบกรรมกรรมเป็นเครื่องชักจูงกรรมเป็นเชื่องชี้นำให้เราไปสู่สภาวะยินดีและก็ชอบใจก็คือความทุกข์ความเศร้าหมอง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 คนรวยเนี่ยจะต้องมีพาละต้องบินไปโน่นไปนี่มานั่นอยู่ตลอดเวลาเวลาทานน้อยเดียวก็อิ่มแล้วเพราะว่ามันจะบอ้วนมันก็แปลกไอ้คนที่มีกินเนี่ยกินนิดเดียวนะมันดังอ้วนไอ้จนในคนจนเนี่ยผอมก็ผอมตังก็ไม่ค่อยจะมีกินเวลาทานอาหารเนี่ย กินสองชามสามชามกินสัตว์กินนกกินหนูกินหอยกินสัตว์แปลกๆเหมือนเช่นกินงูกินอะไรเนี่ยกินตะขาบแม่งตองนะแล้วเด็กก็เหมือนกันไอทายาิที่มันเป็นคนมีวิบากกรรมที่เกิดมาเป็นคนจนค่อยๆคิดตามไปกินเท่าไรมันก็ไม่เพี่ยงพอแต่ไม่เป็นโลคไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ค่อยจะตายซะด้วย ทำเงินได้มาก็ไปกินเหล้าได้เงินมาก็มาตกตีทะเลาะปองแวงกับครอบครัวมีคนมีวิบากกรรมกรรมคนเรานั้นมีหลายระดับเหมือนนิ้วมือนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง น, นิ้วก้อยกรรมเนี่ยมันอยู่ข้างบนข้างการข้างล่างเราอาจจะไม่มองเห็นการนึกคิดตกแต่งของมนุษย์ คือสัตว์โลกนั่นเองเรามองเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยที่เ็ากากรรมมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีกากรรมทำงานคิดเครียดกันมาตลอดชีวิตตายแล้วก็ไม่ได้ออกไปไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลย ก็มีแต่ลูกลกหลานๆพอตายแล้วก็ได้รับทรัพย์สมบัติต่อไปเพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้เราได้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยในขณะนี้เนี่ยพระพิสุท์สัมมาทแม่ชีแล้วก็อุบาสิกุบาจาราที่มาถือศีลรักษาศีลมาเวียนเทียนในวันนี้ในขณะนี้ท่านทั้งหลายเนี่ย ไม่มีความยากลำบากในการกินการนอนการนั่งการเดินการคิดการเครียดเลยในขณะนี้เป็นบุญมหาศาลในชีวิตและในเวลาแค่ระยะสั้นๆเห็นไหมความดีเนี่ยสวรรค์นเนี่ยมันนิดเดียวเองความชั่วที่เราการกรรมคิดมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ย เกียด บ, บางคนเธอก็ร้องให้ <c oughs> ก่อนจะมาถึงวัดเขาอิติโสกโตได้คนบางคนนะไม่เคยมีสติรู้ตัวในการภาวนาในการรักษาศีลไม่รู้เลยว่าบุญน่ะมันคืออะไรบุญก็คือความว่างเปล่าในขณะนี้เนี่ยพระกุศเจ้าเนี่ยว่างเปล่าจากความโลภ อยู่ในองค์ภาวนาพุทธโธพุทธโธเนี่ยจิตของท่านนะไม่มีความรูไม่มีความโกรธในขณะนี้เนี่ยไม่มีความหลงไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีจิตที่อิดฉาทิษยาภาวนานี้เข้าไว้ลองถามใจตัวเองว่าโอ้เนอะจริงเนี่ยที่ลองพอพูวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย เราฟุกงานเนโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักเราไปเจอเพื่อนผู้เจอญาติพี่น้องเจอแก้วแหวนเกินทองที่มันขาดบ้างเกินบ้างเจออาหารเจอรถราที่เดินทางมาเนี่ยความคิดนึกตกแต่งเนี่ยมันเกิดโทสังก็คือความโกรธความโรคความหลงเนี่ยกว่าจะได้มานั่งในขณะนี้เนี่ย นวัาทรรมทั้งหลายเนี่ยมีกำลริ่กำไรในระยะเวลาในขนาดนี้สติของเรานะก็มัน่นคงความคิดก็ไม่ฟุ้งซ่านการนึกการคิดก็ยิ้นเขา ว, ว่าโอน้นาะเออจริงไว้หลวงพ่อในเดชะตังกาพูดพูดในชัดเจนว่าบุญก็คือ ค, อความว่างเปล่า ในขณะนี้เนี่ยเรามีทําใจให้ว่างยิ้มเขา้าไว้หายใจเข้าพุทหายใจของโทมองความรู้สึกของตนเองว่าโห้นาเอ อ, อเราได้เกิดมาตั้งหลายปีอายุกมากวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสักนาทีหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีสติรู้ว่ารู้ตัวรูต้ตวเหมือนในขณะนี้ วันหนึ่งเนี่ยเราคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องเมียรเรื่องผัวเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องรถเรื่องทรัพย์สมบัติขัดแย้งคนนั้นคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้รักคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่เคยมีสติรู้ตัวในขณะนี้มาก่อนเขาเรียกว่าตกนรกทางใจคนที่ตกนรกเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเขาเรียกนะตกนรกทั้งเป็น เป็นๆนั่นก็คือตัวพวกเรานี่แหละยังไม่ตายนี่แหละมันตกอยู่ในห่วงของอเวีนีของความคิดเหลือกว่าความโทสาบางวันเราก็โกรธซะแล้วเดี๋ยวก็หัวเลาะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มมีความสุขเดี๋ยวก็หิวหิวแล้วก็หาโนดเคี้ยวหนี้กัดกินกึ่งสัตว์ต่างๆนานาไปแล้วก็อึ แล้วก็เบาออกอารมณ์แปลปนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันไม่เคยได้มีสติเหมือนในขนาดนี้เราก็อาธิษฐานใจว่าโอโนอโดยบุญกุศลที่มาวัดเขาอินทรสุขโตครั้งนี้ในระยะสั้นๆงูแลลบลิ้นช้างกระดิ่งหูเนี่ยก็คืออยู่ในองค์ภาวนาในขนาดนี้เนี่ยว่าโอโน้อขอให้เกิด บุญก็คือสติบุญบรารมีบรารมีก็คือมีวาสนาก็คือปัญญาขอให้มีสติปัญญาเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยบางคนเนี่ยนึกปรุงแต่งนั่นเองกรรมที่เราเนี่ยกากรรมในสภาพของความเป็น อยู่เกิดขึ้นแก่เจ็บตายทุกอยายทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกินเลสมันทำความรู้สึกให้เราเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งไปทำตาเจ้าตานี่ก็มีหน้าที่สอดมองเขาเรียกว่าสอดส่องสอดแหนมทุกอย่างให้นอตาของเราเนี่ยมองซ้ายมองขวามองคนนั้นมองคนนี้มองนั่นมองนี่น มองแล้วก็เอามาปรุงแต่งทางใจว่าเนียยนั่ น, นน่ะคืออะไรเออคนนั้นหล่อคนนี้สวยมองว่าที่นั่นไอ้นี่มองด้วยธุรจิตที่เป็นอกุศลก็คือความอิจฉานีสัญญาก็เกิดขึ้นมองแล้วไม่ยินดีพอใจก็โทสะมันก็เกิดขึ้นไอตาเนี่ยไอตาล้ายเนี่ยที่คนโบราณเขาบอกว่าตาล้ายได้อตาดีได้ตาล้ายเสียนี่แหละ ไอ้ตานี่ก็มีหน้าที่สอดส่องถ้าเราไม่มีสติไม่มีสติในการมองเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นก็สัตว์เาไว้เห็นท่านลองถามตัวเองครับว่า<ม>เห็น<ม>คนโน้นเห็นคนนี้เนี่ยคิดกับคนโน้นคิดกับคนนี้เนี่ย<ม>เคยเห็นใจตัวเองมันงไหมเออลองถามที เราได้เคยมองเห็นใจตัวเองบ้างไหมแต่อยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราไอบา้บ้ายีบา้ามึงกับมันบ้าปุงแต่งไปเห็นใครละมาเข้าใจเราได้ถ้าอะไรมาเข้าใจก็เรียกว่าผีมันสิงละเหมือนร่างทรงผีสิงที่ผีมันเข้าร่างมนุษย์มันเข้าไปแฝงใจที่เปลี่ยนกันเป็นคนละคนแล้ว แต่พวกเราเนี่ยเปรียบเส ม, มือนกิเลสมันสิงอารมณ์กิเลสทางตาเนี่ยมันสิงคือมองเห็นตาไม่พอเนยไอ้หูอีกนะไอ้หูเดียก็เป็นเรื่องสําคัญหูที่มองไม่เห็นแต่เกือกแดกแดกเสียงนะกินเสียงหูที่กินน้ําไม่ได้นะกินข้าวกินน้ําไม่ได้เช่นเดียวกับไอ้ตาเนี่ย ไอ้ตาก็กินอะไรไม่ได้กินน้ำ ก, กินข้าวกินแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติไม่ได้ไอ้ตาเนี่ยกหัหูเนี่ยไอ้หูก็กินด็อกคือตุอหูทวนเข้าไปมันกินเข้าไปในรลหูไม่ได้เพราะมันมีขี้หูเขาอยู่ในรูไอ้หูเนี่ยไอ้หออือคือหอปอูหูราไม่กาท่องแล้ว่วาหออะไรอีกห้ อ, อือหือ ไม่หือไม่อื อ, ไ อ, อไอ้หูเนี่ยไอ้หูเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรฟังเสียงตาก็ไม่มีเอาแล้วเขาบอกว่าตากระทูหูกันท่าไอ้หูไม่มีตาเสือกได้ยินเขาว่า น, นได้ยินแล้วก็เอาไปฟ้องให้ใจเลยไอ้ใจเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจปรุงแต่ง ดินทากาเลพอใจไม่พอใจก็ทะเลาะ ก, กันกระเพาะให้หูเนี่ยไอตาก็เช่นเดียวกันกินข้าวกินน้านําไม่ได้มีบ้านมีช่องก็ไม่ได้ตาเนี่ยก็เลยดินสอดาๆสีบ่วกสีเขียวไอที่เขาเขียนตาต่อหางไก่ก็คือขนตานั่ยแหละไอตาเนี่มันก็ไม่ได้บริโภคอะไรบริโภคกินเลย ยินดีพอใจอยากได้นั่นเห็นนั่นเห็น น, นี่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรคือวัอนที่เราคิดปรุงแต่งทุกวันเนี่ยที่เราคิดทุกเลือดทุกราวท่าจดบันทึกหน้ากลัวจะต้องใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่าบทหลังนี้ความคิดของเราคิดไปในไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่เราคิดเนี่ยเรียกสัตว์โลกย่อมเป็นไฟตรงกัน กรรมันทำให้เราขมคิดคดเคี้ยววกวนเอาไปนึกไว้ที่ใจใจนี่ไม่ได้รับรู้หาอะไรเลยใจเนี่ยหัวใจเราเนี่ยพอมันคิดดีใจก็โอ้ยใจเต้นตุบๆุุดีใจน้ำตาไหลไอ้ตาก็ยินดีพอใจไอ้หูก็โอเ ย, ย็นไปทั้งตัวนะมีความรู้สึกปรุงแต่งว่า ออกทางการต้รอความตีใจนักปฏิบัติทั้งหลายนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจอารมณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าสิ่งสมมุติไอ้หูมันก็ไม่มีค่าราคาแพงกางทั้งวันนะกลางหูดมาไอ้พวกหอหอเนี่ยมันน่ากลัวนะหออื้งห่หออื้งหือเนี่ยอึ้งหือตึ้งหือเนี่ยมันน่ากลัว ไอหูเนีไม่มีราคาหาอะไรเนละก็เอาดอกไปห้อยสมัยนี้สมัยก่อนเจาะหนึ่งลูข้างละลูเพราะมีลูน้อยหูมีแค่สหลูบางหูซ้ายทั้งลูกหูขวามันก็ก็ยางดีที่พระพุทธเจ้านั้นบอกว่าได้ยินก็สัตว์ตัวว่าได้ยินไอําคัญเราได้ยินเนี่ยมีความยินดีมีความรู้สึกถางใจ พอเขาชื่อชมแม่รู้สึกยิ้นปากปื้งนใจไอ้หูเนี่ยไอ้ลูหูนี่แหละตัวสำคัญแต่เราได้ยินแล้วมันไม่ถูกรูหูนี่ไงไม่ถูกใจแนละ้วโทรศัพ์ก็เกิดนะไอ้ตาไอ้หูเนี่ยมันไม่ได้เลือกนงะตาก็ถทูหูกระทะเนี่ยเพาว่างั้นมีหูก็ไว้ห้อยห้อยดอกคนสมัยนี้ห้อยหลายรูมากรูกหู ยังเฮาไม่อยู่นะขออือขือข อ, อือขือเนี่ยตืดือือือือเนี่ยหูื้อเลยนะเมื่อมีไอ้ตามีไอ้หูไม่พอสี่โลแล้วเพิ่มมาอีกสองโลอีกไอ้โลจะโมกอีกไอ้โมกเนี่ยไอ้โมกเนี่ ย, ยบางคนถึงก็ตัดตูดไปต่อให้จะโมกโด่ขึ้นไปอีก ถ้าจะหายใจสูดสองลูองไม่พอต้องใส่เครื่อ ง, งอกัเรียกว่าท่อแฮดเดอร์เข้าไปอีกสูตรลมพืชน ฟ, ดฟาฟดพื้นฟาดเข้าออกเข้าออกเข้าออกแต่ลมที่มันเกิดปรุงแต่งเนี่ยมันเข้าแล้วมันไม่ออกถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาในการคิดหาอุบายหาทางออกนั่นเองธรรมรุษย์ี่ไม่มีทางออกเด้อ โอ้โ ห, หน่าควรจะอกแตกได้เพราะไอ้ใจมันรับสภาวะรับภาระเหมือนกับไอ้ทวารหนักเนี่ยไอ้ทวาร น, น้ำเบาเนี่ยไอ้ทวารหนักไอ้ทวารเบาเนี่ยไม่ได้ทําหาเลยรับภาระไอ้ปากอันเดียวเนี่ยไอ้ปากเนี่ยยังแค่พูดรูจมูกก่อนหกรูแล้วไอ้จมูกเนี่ยไอ้จมูกก็มีหน้าที่คลายของเสีย เอาเข้าของดีเข้าไปขายของเสียไอ้จมูกเนี่มันก็ถ้ามันพูดได้มันก็คงบ่นเหมือนกันว่าไม่รู้มึงจะหายใจเข้าออกไปทาํามเหมือนคนเกิดมาถ้าเป็นธรรมผู้มีสติปัญญาก็จะเรียบเรียงความคิดไอ้จมูกได้หายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยหายใจมันจะทิ้งมันเฉย ถ้เปลียนเสมือนคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีรู้มูลคา่าของชีวิตการเวลาเนี่ยเกิดมาก็าหายใจทิ้งไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เขา่ขาออกเข้าออกได้เสียได้เสียได้เสียให้ร่างกายได้ก็คือออกซิเจนใ ห, ใหออน้ออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ให้ตาสองลูให้จ ม, มูกสองลูให้หูสองลูเนี่ยสองสามก็หกลูเข้าไปแล้ว เฉพาะใบหน้ามันเลยหกลูแล้วเจลูก็คือไอ้ปากนี่นะโอ้โ oh, oh, หไอ้ปากสุดยอดปากคนเราเนี่ยเขามีกระดูบสามสสองซี่ก็คือฟันนี่แหละฟันสามสองซี่เนี่ยในปากเราเนี่ยมันจะต้องรับภาระบทขยี้เลี้ยงอาการสามสิบสองก็คือตัวมึงนั่นแหละ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 คนที่กลัวเสียหน้าเสียตาเสียอารมณ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลูหน้าเนี่ยเจ็ูเท่ากับเจ็ดวันเนี่ยภายในเจ็ดวันเนี่ยไอพาระของลูทั้งเจ็ดมึงเนี่ยทุนหมดเนี่ยที่มึงสว า, ปามปำลิงข้าดบบางชนีดี่เห็นช้างมาปลากุ้งหอยปูปลามูเห็นเป็ดไก่ มึงสว่าปามวัวายนี่ก็ไปทุกวันทุกวันเนี่ยไอสามสิบสองที่เนี่ยฟันหั่ฟันบิงเนี่ยน้ำลายคี้เศษน้ำลายเจษอาหารนะโอล่าไอบดมาน้ำลายคี้เศษเนี่ยมีใครนิยมบ้างไอปางนี่ก็มีน้ำทําลายละลายรสชาติก็คือไอลิ้มไม่มีกระดูกนี่แหละไอปางนี่สําคัญมาก มันกินควายได้เป็นตัวตั ว, ตวก็คือความโง่ก็คือความโลภความอยากได้กอบโกยเอามากินเนี่ยคนยิ่งกินมากทุกวันเนี่ยกินมากเท่าไรก็ตายไวเท่านั้นบางคนตายเพราะความกินไปกินเหล้าไอ้ที่เขาให้กินข้าวดันไปกินเหล้านะไอ้ที่ให้มองตัวเองเสือไป ม, มองหน้าคนอื่นเขาก็ฟันหัวต่อยยิงตายก็นี อูดีพูดคุยกับครอบครัวให้มันมีความสุขพูดในมีความหวานดันไปนพูดกอหูเขาไม่ดีเขาก็เลยฆ่าตายก็มีขึ้นลงขึ้นสาลภายในเจ็ดวันของเราเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายพระคุณเจ้าเชื่อได้ว่าที่นั่งหรือเนี่ยไม่เคยสำรวจรูตัวเองเลยแต่อยากเล่นรูของคนอื่นนะเรียกว่าแย่ลงรู ไม่เคยเลยคันหูเอาไม้เข้าไปแย่ยังไม่คํานึงองีกยังคิดไม่ออกเหีกว่าแม่หูหูเราเนี่ยมันทํางานมากขนาดในไม่วันนี้หูดับดับไม่หมดภายในเจ็ดวันเนี่ยไม่เคยสารวจลูตัวเองดันไปเอาไอ้เจ็ดลูเนี่ยไปสารวจโลกภายนอกหมดความคิดจะไม่ได้อยู่กับตัวเองละ เริ่มชักจูงไปไกลสุดหูสุดตาเขาเรียกว่าไกลสุดหูสุดตาก็คือความคิดนั่นเองความบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยลังเล ส, สงสัยนักปฏิบัติตั้นก็เริ่มลังเล ส, สงสัยคนอื่นแต่ไม่ได้สงสัยลูตัวเองไอคนอื่นเขาว่าหวังว่าจะเล่นลูเราเหมือนกันเล่นช่องเราเนีได้ช่องหรือมีช่องอะไรกูก็เสียบมันนั่น ได้ช่องเขาหมายถึงว่าไปรับปากรับปากคำพูดได้ยินได้ทำหลักฐานตามมองเห็นหูได้ยินไปรับปากเขาเลยปากมึงมันคมอยู่แล้วไม่ต้องไปรับใครหรอกคมยิ่งกว่ามีดโกนอีกนะปากเรานี่แหละมันมีน้าทำลายอยู่ไอ้ริ้นไม่มีกระดูกนี่มันเชื่อได้ยี่ไหนมันไม่มีใครบ้าง กินแล้วลิ้นดุนออกดุนออกดุนออกไอ้ลิ้นเนี่ยมันมีหน้าที่สวัสดสวีง ย, ยัดก่อเข้าคอยอย่างเดียวยัดเข้าไปอย่างเดียวไอ้ลิ้นเนี่ยลิ้นก็มันไม่มีกระดูกก็เหมือนความคิดของเราเนี่ยปากที่พูดออกไปเนี่ยมันไม่มีรสชาติของความคิดนักปฏิบัติก็ไม่เคยมองทวานของตัวเอง เจ็ดรูนี่คือทวารเรียกว่ารูทวารรูหนักเป็นรูที่8ปดนะก็คือรูตูดของเองนั่นแหละพูดกันหยาบๆรูหนักรูเบาก็รูเบาตั้งชื่อดูดีว่ารูเบารูเบามันเบาที่ไหนเจดคนแดคนผัวเมียแต่งงานกันกว่าจะตายได้ก็น่าจะเป็นคันรถพ่วงรถไฟลากยังคิดกระดาษนึ่ หาัว่าข้ามทะเลยังไม่รู้เลยว่าหลับนอนกับผัวกับเมียเป็นเท่าไหร่นะการหลับนอนในการมาตัญหาราคะเนี่ยมันเบาไหมล่ะไอ้ผู้ชายกินอาหารเข้าไปอย่างดีผู้หญิงกินอาหารอย่างดีก็ไปลวกประเวณีก็หมดเรื่องหมดแง่ก็นอนวา่างแห้งแล้งแล้วแถมปั้นน้ําเป็นตัวยิง ตัวเองก็ไม่ค่อยจะรอดไม่เคยสํารวจรูดาเบ้สฟาดรูคนอื่นเข้าก็าปั่นล้วเป็นตัวก็มีลูกมีหลานเมื่อมีลูกมีหลานก็เนี่ยแบกหามกันไปลากจูงเรียงมายี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีบางคนก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่ได้เหมือนพ่อแม่ก็แก่ชราตายไปให้ลูกที่เกิดไมก็เอาสมบัติไปเ้าเรียกว่าสมบัติผัดกันชม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตากรรมกันก็ต้องการกรรมตามเหมือนปู่ย่าตายายมีผัวมีเมียพี่เอาใครมาทําผัวทำเมียก็ยังไม่ทราบไม่รู้ที่มาที่ไปว่าใครจะเป็นผัวเป็นเมียเรา แ, แต่ปุพกรรมในกรรมมันเป็นเครื่องจักจุ่ต้องเจอะเจอกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไอ้ปากเนี่ยมันสวงหากัดกินใอ้ลิ้นเนี่ยมันกอดโกลยโกลอย่างเดียว โกยเข้าไปไอ้กระเพาะไอ้ไอส้ไตับไอ้ ม, าม้าไอ้ปอดเนี่ยถ้ามันโวยได้ผมว่ามันโวยแนละ้วเป็นท่านใครมาเบียดเบียนท่านโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเนี่ยคงจะโวยนะเมื่อมันโวยไม่ได้มันก็ทำ ง, งานตลอดวันตลอดคืนตลอดปีเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเรียกว่าอันิจัง เป็นของไม่เที่ยงก็คือแก่ชราามันก็เสื่อมลงของอะไรที่เสื่อมเนี่ยมันก็เป็นโทษทันทีคนที่ความคิดเสื่อมตาเสื่อมความคิดเสื่อมหูเสื่อมเนี่ย <c oughs> เสื่อมจากความดีเนี่ยมันก็มีโทษมีทันในสิ่งที่ไม่ดีปรากฏในชีวิตเพราะนั้นเราต้องนักปฏิบัติต้องตรวจดูแลรักษาทาความสะอาด ร, รูเราให้ดีอย่าให้เป็นรูรั่ว มีรูมีช่องแล้วก็ให้มแมลงมันเข้ามาให้สิ่งสก ป, ปกสกโคกก็คือกิเลสตัณหาราคะความโลภ ก, กดหลงเนี่ยมันเข้ามาทะลุทะลวงถึงหัวใจถึงความรู้สึกเมื่อถึงความรู้สึกถึงหัวใจเนี่ยเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันก็นึกคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าลูของเรา ไ, ไมเดียํารวจสก ป, ปกเอาแต่เรื่องสก ป, ป ก, สกโสโคกเพราะว่าเราไม่มีสติ สติคือความรู้ตัวเหมือนในขณะเ น, นี่ปัญญาก็คือความรู้เท่าทันในกองสังขารเมื่อเรารู้เท่าทันทางความสหั์รูทั้ง9้ามึงเนี่ยเราเรียกว่าทวานทั้งเก้าเขายังสร้างพักปิดเทวานยังปิดไม่ไหวเวทมึงห้อยเทวา น, นมึงยทั้ง9ก้าูหองพักรุ่ปิดทวาน กูว่ามันเปิดอย่างนี้ดีกว่าถ้าปิดกูว่ามันจะแย่นะปิดยังไงก็ไม่อยู่หรอกปิดความรู้สึกการนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเหมือนความรับในโลกเนี่ยมันปิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลวงพ่ออำขออนโมทนาในส่วนบุญกุศลที่โยมได้อุตสาห์บำเพ็ญเพียรความรู้สึกที่เป็นกุศลก็คือ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 ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นเฉยตรวจสอบสอบ ส, อบสอบดูใจของตัวเองดูรู้อ่ะห็นตาหูปากลิ่งทวันหนักทะวันเบาถ้าเรารู้จักปิดกัน้นทะวันหนักทวันเบาก็คือไม่กินมากมันก็ไม่ถ่ายมากไม่คิดมากมันก็ไม่พุ่งสร้างมากนั่นเองไอ้ทะวันหนักไอ้ทะวันเบาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเศษมันมันไม่เห็น อะไรมากมายมันก็ไม่ต้องมาทนท น, นทุกข์ทรมานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากมายในขนาด น, นี้คนที่ไม่ได้เสือจสอนสอนสอ น, สอนสแสวงหาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตวนของตัวเองก็มีแต่ปัญหามีเรื่องสรุป ง, ง่ายง่ายนะเมื่อเราปิดประตูนรกก็คือให้ก้าวู้นี่แหละจะทำให้ชีวิตเราก้าว น, าน้า แต่ถ้าเราไม่ปิดไอ้ก้ารู้ได้กิเลสก็ก้าวสู่สภาวะไอ้รู้ทั้งก้าวของมึง น, น่อิมหมีพิมันเลยเข้าไปในสภาวะในจิตใต้สำนึกก็เป็นประสาทพระราชวังถ้ายังมีเจ้าอยู่ได้บ้างแต่ถ้ามีประสาทนะประสาทก็คือคนที่ไม่มีสติแล้วเมื่อเราเป็นประสาท มันก็ปุงแต่งนึกคิดทำให้เราเกิดความเศร้าหมองของใจเอาระก็ไม่ขอรบกวนเวลามากมายนะักก็ขอโมทนาในเวลาที่ขึ้นสวรรค์นะีบางคนก็น่าจะถอนจิตหลับไปแล้วนะเหลือแต่กายงมกโกงมกุกนะก็ขอโนโมทนา <c oughs> มนับเอาไป